การที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้เราเป็นหนี้บุญคุณนะผู้คนมากมายนะเริ่มตั้งแต่บุปการีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ะญาติสนิทมิสหายรวมนั่งใครต่อใครมากมายที่เราไม่รู้จักนโะดยเฉพาะผู้ที่นำพาอาหารเนี่ยมาให้เราเลี้ยงเราให้มีชีวิตนะวันแล้ววันเล่านอกจากผู้คนแล้วเนี่ย เราอย่านี้เป็นนิบุญคุณนะชีวิตต่างๆมากมายที่ให้อาหารแกเราหรือเป็นอาหารของเรานะให้ผักให้ผลไม้รวมทั้งให้เนื้อซึ่งกลายมาเป็นเลือดกลายมาเป็นเนื้ออวัยวะต่างๆนะที่กลายเป็นตัวเราอยู่ขณะนี้นะเราเป็นนิบุญคุณสิ่งมีชีวิตมากมายเลย แต่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราอย่างเดียวนะในตัวเราเนี่ยก็มีชีวิตเล็กๆน้อยๆมากมายซึ่งมีบุญคุณกับเรามากนะะชีวิตเล็กๆเนี่ยเราเรียกว่าจุลชีวันนะหรือจุลชีพซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบคทีเรียพอพูดถึงแบคทีเรียนี่หลายคนก็นึกถึงเชื้อโรคนะแต่ที่จริงแบคทีเรียที่ ไม่ได้เป็นโทษกับร่างกายของเรามีเยอะที่มีคุณต่อตัวเราก็มีมากมายโดยเพราะที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยจริงๆมีเยอะนะเขาว่าเนี่ยอย่างน้อยก็สี่หมืนะสี่หมืนชนิดเลยนะของจุลชีพหรือจุลชีวันในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์นะมีบุญคุณกับเรามากอย่างที่เรานึกไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่นอากาศที่เราหายใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเนี่ยอากาศที่เราหายใจเนี่ยคือออกซิเจนล้วนๆ น, นะที่จริงมันเป็นออกซิเจนแค่ยีสิบเปอร์เซ็นตะอีกแปดสิบอร์เซนตี่เป็นไนโตรเจนและไนโตรเจนที่มันเข้าไปสู่นาร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะแต่ว่าเป็นเพราะจุลชีพนี่แหละนะทําให้ไนโตรเจนที่มันเข้ามา ในร่างกายจนถึงปอดของเรานี่มันกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะเพราะว่าจุลชีพเนี่ยบางชนิดนี่ก็เปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียแอมโมเนียนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะถ้าไม่มีแอมโมเนียนี่ชีวตเราก็คงลำบากเลยนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะอาหารที่เรากินเนี่ย หลายชนิดหลายอย่างนี่ร่างกายเราเองเนี่ยย่อยไม่ได้นะย่อยให้เป็นประโยชน์ไม่ได้แต่ว่ามีแบคทีเรียหลายชนิดที่มันช่วยย่อยช่วยสลายนะอาหารผักเนื้อนมให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราขอประมาณว่าเนี่ยสิบเปอร์เซ็์ของแคลอรี่เนี่ยที่เราได้รับจากอาหารเนี่ยในแต่ละวันเนี่ย มันเกิดจากการย่อยสลายของดุลลชีพพวกนี้แหละนะสิบเอร์ซของแคลอรี่นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะและไม่ได้ใช่และไม่ใช่แต่แคลอรี่นะที่เราได้จากการย่อยสลายของดุลชีพเหล่านี้นะมันยังมีผลพลอยได้อย่างอื่นตามมานะเช่นวิตามิน B ีสองวิตามินบีสิบสองแล้วก็วิตามินหรือแร่ธาตุอื่นอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าเราขาดวิตามินเหล่านี้นี่ถึงตายได้นะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยขาดวิตามินบีสองนี่ก็อาจจะเป็นโรคปามนกกระจอกแล้วก็ตายไม่ใช่แค่ว่าร่างกายเราต้องการแค่ปโปรโตีนไขมันนะอย่างเดียวนะ น, นมที่เรากินเนี่ยนะถ้าไม่มีแบคทีเรียมาช่วยย่อยสลายนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะ ในร่างกายเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมีความสามารถในการผลิตสารนะเขาเรียกว่าเอนไซม์ในการย่อยเนี่ยจริงๆก็เยอะน ะ, ะประมาณยี่สิบชนิดได้นะแต่ว่าแบคที ria หรือจุลชีพในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถที่จะ ผลิตเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารต่งางๆในร่างกายเราเนี่ยมากกว่านั้นนี่หลายเท่าเลยนะเพราะว่าประมาณนี้สองหมื่นชนิดเลยนะเฉพาะเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารนะพูดง่ายคือว่าถ้าไม่มีแบคทีเรียหรือจุลชีพในร่างกายเราเนี่เราคงตายไปแล้วนะนันเราจึงเป็นนี่บุญคุณ ตุลาธิในร่างกายเรามากนีซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปเลยนะตั้งแต่โพรงจมูกนะจนไปถึงลำไส้นะไม่ว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พวกนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างที่เราดึงไม่ถึงนะเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยย่อยอาหารทําให้ร่างกายเรามีสารอาหารจากสิ่งต่างๆที่เรากินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย แต่ยังช่วยการทำงานของเขาเชื่อนะว่าช่วยการทำงานของสมองด้วยนะขาดแบคทีเรียหรือจุลชีพบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาสมองนะทำงานได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งร่างกายอาวยัยวะหลายส่วนก็จะ เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ตัวชีพเหล่านี้เนี่ยมันก็ในร่างกายเราตอนนี้ก็หดถายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเรากินยานาน า, น า, นานชนิดนะโดยเพราะยาปฏิชีวนะที่มันทําให้ตุลเชื้ที่มีประโยชน์ในร่างกายเรานี้ตายก็เลยมีปัญหาในการย่อยมัางมีปัญหาในการขับถ่ายบ้าง ต้องเติมนะเดี๋ยวนี้เลยต้องวิธีการรักราษาสุขภาพให้ดีต้องเติมเติมจุลชีพเข้าไปอย่างที่เรากินนมเปรี้ยวเนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยมันก็เป็นคือการเติมจุลชีพเข้าไปในร่างกายแบคบทีเรียงนั้นแหละแต่มีประโยชน์แล้วก็มันไม่ใช่แค่เติมทางปากนะสาหรับคนป่วยด้วยโรคบางชนิดนี่ต้องเติมจุลชีพเข้าไป นะทางทวารหนักด้วยนะเดี๋ยวนี้นมัีการนะมีวิธีการรักษาทีวว่าปลูกถ่ายปลูกถ่ายแบคทีเรียด้วยการฉีเข้าไปทางทวารหนักหรือทางก้นนี่แหละเพื่อให้มันไปทำงานหรือไปเสริมไปชดเชยจุลชีพดีๆที่ตายไปจากการกินยาปฏิชีวนะของเราหรือเพราะเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ย พอปลูกท้ายเข้าไปนะทางทวารหนักนี่เออโรคบางชนิดก็หายนะอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อคนอสมัยนี้อาจจะนึกไม่ถึงนะว่าตุลชยพวกนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วมันก็มีเยอะทีเดียวนะมีเยอะทีเดียวเพราะว่าเนี่ยถ้ารวมตุลชยทั้งหมดในร่างกายเนี่ยมันจะมีน้ําหนักประมาณกิโลกว่ากว่านะ กิโลกว่ากว่านี้ก็น้ําหนักพอๆกับสมองของเราเลยสมอ ง, องเรานี่ก็กิโลกว่ากว่าบางคนก็เลยเรีย ok กว่าเนี่ยจุลชีพเนี่ยในร่างกายเราเป็นอวัยวะอย่างหนึง่งเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายนะแล้วเนี่ยเราจึงเป็นนี่บุญคุณนะจุลชีพทั้งหลายในร่างกายเราจนกระทั่งบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเนื้อตัวเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย เป็นตัวเราแค่หนึ่งเปอร์ซนต์นะอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นจุลชีพที่เขาพูดจากอะไรนะเขาพูดจากยีนในร่างกายเราเนี่ยนะมันมีประมาณสองหมื่นยียนนะที่เป็นของเรานะแต่ว่าในร่างกายเราเนี่ยมียีนของแบคทีเรียหรือจุลชีพเนี่ยถึงยี่สิบล้านยี่สิบล้านตัวนะยี่สิบล้านชนิดยี่สิบล้านยียนนะงั้นเนี่ยถ้าวัด จากจํานวนยีนเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยที่เป็นของเราเองจริงเนี่ยแค่หรหรือไม่ถึงหอซอีกเกหรือที่เหลือนี่เป็นของแบคทีเรียอันนี้มันเป็ น, ปนความอัศจรรย์นะที่เราไม่ค่อยตระหนักกันเวลาพูดถึงแบคทีเรียนี่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเชื้อโรคแต่ที่จริงเนี่ยแค่น้อยนิดนะที่เป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ย อย่างตอนนี้เขาสำรวจเพราะว่าเนี่ยมีแบคทีเรียเนี่ยนับล้านนะชนิดนะอันนี้หมายถึงรอบตัวเรานะแต่ว่ามีแค่พันกว่าเท่านั้นแหละที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอที่เหลือนี่ไม่ได้เป็นโทษเลยแล้วก็จนวน ม, มากก็เป็นประโยชน์ด้วยอที่เป็นโทษนี่ก็พันสี่นะแต่ที่เป็นคุณเนี่ยเชื่ว่าในร่างกายเรานี่ก็สี่หมื่นนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงแบคทีเรียเนี่ย อย่าไปคิดแต่ว่ามันเป็นเชื้อโรคอย่างเดียวนะมันเป็นประโยชน์ก็มากนะแนการที่เราคิดแต่จะกำจัดเชื้อนะเพราะเราอนามัยจัดเนี่ยบางทีมันเกิดเป็นโทษด้วยซ้ำนะพเพราะพอเราไปทำลายเชื้อแบคทีเรียทั้งในร่างกายเราหรือตามผิวหนังเราแล้วเนี่ยเราอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายก็ไดนะ้หรือไม่มีของดีที่จะมาช่วยนะทํานุบารุงร่างกายของเราให้มีสุขภาพดี